เรื่องถือนิสัยอยู่สิบพรรษาพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉนัยโมฆะบุรุษเหล่านั้นครัดแล้วทรงแสดงธรรมีกรทารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอาจารย์อาจารย์จะเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในอันเตวสิกชั้นบุตรอันเตวาสิกจะเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในอาจารย์ชั้นบิดาเมื่อเป็นเช่นนั้น อาจารย์และอันเตวสิจกจะมีความเคารพยำเกรงประพฤติกลมเกลียวกันจากถึงความเจริญงอกงามไพบูณ์ในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อาศัยภิกษุมีพันสาสิบอยู่อนุญาตให้ภิกษุมีพันษาสิ บ, ใ ห, สบให้นิสัยได้